พระอระหันต์ให้ทูตไปตามพระนาเคเสนเมื่อพระนาเคเสนได้สำเร็จพระอระหันต์แล้วพระอระหันต์หนึ่งรโกรธก็ไปประชุมกันที่ถ้ำรักขิตะเตยนะในภูเขาหิมพานแล้วส่งทูตไปตามพระนาเคเสนเมื่อพระนาเคเสนทราบแล้วก็หายวับจากอโศการามมาปรากฏข้างหน้าพระอระหันต์หนึ่งรยโกรธ ที่ทำรักขิตะเลนะในภูเขาหิมพานกราบไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจึงถามว่าเพราะเหตุไรขอรับจึงให้ทูตไปตามกระผมมาพระอรหันต์ผู้เป็นหัวหน้าตอบว่าเป็นเพราะมิรินทราชาเบียดเบียนพวกเราด้วยการไต่าถามปัญหาเธอจงไปทรมานมิรินทราชานั้นเถิด พระนาคเสนจึงเรียนว่าอย่าว่าแต่มิรินธราชาเลยบรรดาพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิ้นที่มีปัญหาเหมือนมิรินธราชานี้จะซักถามปัญหาตื้นรึกประการใดกระผมจะแก้ให้สิ้นสงสัยให้มีพระไทยยินดีด้วยการแก้ปัญหาขอพระเถระเจ้าทั้งหลายจงไปสู่สารคนคร ด้วยความไม่สะดุ้งกลัวเถิด